เครื่องกั้นทางหลุดพ้น8ประการโดยเหตุที่คมพีนี้เน้นการวิปัสนาของวิปัสนาญาณิกะจึงจะแสดงถึงเครื่องกั้นทางหลุดพ้น8ประการซึ่งเกื้อกูลแก่ผู้เจริญคณิกะสมาธิที่ประกอบกับวิปัสนาญาณเครื่องกั้นทางหลุดพ้นเหล่านั้นคือหนึ่งกรรมฉันทะ ความยินดีพอใจในกาม 2. พยาปทะความหงุดหงิดไม่พอใจโกรธปองร้าย 3. ทินามิ ท, มทะความง่วงซึมเศร้าสอุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจ 5. วิจิกิจชาความลังเลสงสยัย 6. อวิชชา ความไม่รู้เจ็ดอารติความไม่ยินดีในภาวนาแปดอากุศลธรรมมีข้อความในอนาปานกถาของคำพีปฏิสัมพิธามักตามลำดับดังนี้กรรมฉันทะวิปัสสนากุศลเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายเพราะพระอริยะ ย่อมหลุดพ้นด้วยวิปัสสนากุศลนั้นกามชันทะเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นเพราะบุคคลย่อมไม่รู้วิปัสสนากุศลว่าเป็นทางหลุดพ้นของพระอรยะิยเนื่องจากถูกกามชันทะนั้นปิดบังไว้ดังนั้นกามชันทะจึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้คนคำว่าเนกขมมะใช้ในความหมายหลายอย่างตามโอกาส คือการออกบวปชปฐมฌานพระนิพพานวิปัสนาญาณและกุศลทั้งหมดดังข้อความในคำพีอัตถกถาว่าการออกบวปชปฐมฌานพระนิพพานวิปัสนาญาณและกุศลธรรมทั้งหมดท่านเรียกว่าเนกขัมมะอย่างไรก็ตามในที่นี้หมายถึงวิปัสสนากุศล ตามที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเจริญวิปัสนาผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้รูปนามที่ปรากฏทางทวารหตามความเป็นจริงย่อมไม่เข้าใจสิ่งนั้นเป็นเพียงรูปนามไม่เข้าใจว่ามีเหตุผลเชื่อมโยงกันทั้งไม่เข้าใจว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนความไม่เข้าใจดังกล่าว ทำให้เกิดความปรารถนาพอใจต่ออารมณ์ที่กำลังประสบอยู่หรืออารมณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันแต่ผู้ที่เจริญวิปัสสนากำหนดรู้สภาวะธรรมย่อมเข้าใจว่ามีเพียงรูปนามมีเหตุผลเชื่อมโยงกันและเข้าใจว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความเข้าใจดังกล่าวทาให้หมดความปรารถนา พอใจต่ออารมณ์ที่กำลังประสบอยู่หรืออารมณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นวิปัสสนากุศลจึงเป็นทางหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารของพระอริยะทั้งหลายส่วนความพอใจในกามที่เรียกว่ากา ม, มฉันทะเป็นเครื่องปิดกั้นวิปัสสนากุศลกล่าวคือทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ ในการเลี้ยงชีพตนหรือเนื่องด้วยสามีภรรยาบุตรธิดาญาติมิตรสิทธิอาจารย์กามฉันทะที่ต้องการความสุขย่อมนำให้บุคคลทำหน้าที่เหล่านั้นและขวนขวายในกิจที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่โดยแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มีหรือไม่ได้และรักษาสิ่งที่มีหรือที่ครอบครองอยู่ ดังนั้นผู้คนจึงไม่มีเวลาเพื่อการเจริญวิปัสนาภาวนาแม้บางขณะคิดจะมาปฏิบัติธรรมก็มิอาจทำให้สมความตั้งใจนอกจากนี้ผู้คนยังพอใจจะคิดอย่างอิสระปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านครอบงำครอบงำจิตโดยปราศจากการสำรวมจิต ให้อยู่กับสภาวะธรรมตามความเป็นจริงทั้งพอใจในการทำหรือพูดตามใจตนบางขณะแม้คิดว่าจะต้องการปฏิบัติธรรมก็ยังกังวลว่าความสุขทางกายและใจที่กำลังประสบอยู่ในขณะนั้นจะต้องหมดไปจึงไม่อาจมาเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เมื่อไม่ได้เจริญวิปัสสนา ก็ไม่เกิดวิปัสนาญาณที่ยังเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงบางคนจะต้องการจะเสวยสุขในชาติหน้าพอใจการท่องเที่ยวอยู่ในวัตฏสงสารจึงไม่ได้เจริญวิปัสนาเพื่อความหลุดพ้นจะเห็นได้ว่าการไม่พ้นจากวัตตะมีสาเหตุมาจากกามฉันทะกามฉันทะจึงเป็นเครื่องกั้น ไม่ให้เกิดวิปัสสนากุศลแม้ในขณะเจริญวิปัสสนาภาวนากรรมฉันทะก็ปิดการวิปัสสนากุศลได้เช่นกันกล่าวคือบางขณะกรรมฉันทะอย่างหยาบที่ต้องการกรรมคุณก็ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับเวลาที่มิได้ปฏิบัติธรรมบางขณะกรรมฉันทะอย่างละเอียดก็เกิดขึ้น โดยพอใจการเจริญสติที่กำลังเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากความฟุ้งซ่านรบกวนจิตหรือพอใจสภาวะธรรมที่ปรากฏอย่างชัดเจนทำให้หวนคิดถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอต้องการบอกให้ผู้อื่นทราบและปรารถนาให้บุคคลใกล้ชิดได้มาปฏิบัติธรรมด้วยหรือทำให้เกิดการคาดหวัง ความก้าวหน้าต่อไปที่เป็นยานขั้นสูงกว่าเดิมหรือมรรคผลและนิพพานความจริงแล้วความปรารถนาพระนิพพานอาจเป็นชันท่าที่ประกอบกับกุศ ล, ลจิตหรือเป็นโลภะก็ได้เพราะปุถุชนไม่อาจรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยตรงได้เพียงแต่รับรู้การอนุมานเท่านั้นมีสาธก ที่กล่าวถึงความปรารถนาข้างต้นเป็นโลภะดังต่อไปนี้อนุตเตรสุวิโมเคสุปิหังอุปถาเปติบุคคลย่อมตั้งความปรารถนาไว้ในอรหัตผลอันยอดเยี่ยมอนุสุติลัดทางปณะนะปริกกับประสิทธังอรหัตตังอุทิศะปัตทานัง ทเปติบุคคลย่อมตั้งความปรารถนาถึงอรหัตผลที่สำเร็จด้วยการดำริอันได้รับจากการสดับมาอนุสสวูปัลเทปณนะอนุตระวิโมคเขอุทิษะปิหังอุปาเทนโตตัฏฐะปิหังอุปทาเปติติอัโทความหมายก็คือ ผู้เกิดความปรารถนาถึงอรหัตผลอันยอดเยี่ยมซึ่งได้รับจากการสดับมาชื่อว่าย่อมตั้งความปรารถนาไว้ในอรหัตผลนั้นจะเห็นได้ว่ากามาฉันทะทำให้วิปัสสนาจิตสะดุดไม่ต่อเนื่องบางคนจเจริญวิปัสสนาจนมีสมาธิและปัญญาแก่กล้าพอสมควรเมื่อเกิดการมาฉันทะเช่นนี้ ก็จะเสื่อมจากสมาธิและปัญญานั้นทั้งอาจเกิดความเสียใจตามมาอีกด้วยด้วยเหตุดังกล่าวมานี้คำพีปฏิสัมพิธามักข้างต้นจึงกล่าวว่ากามาฉันทะเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นเพราะบุคคลย่อมไม่รู้เห็นวิปัสสนากุศลว่าเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะคําว่าไม่รู้เห็นหมายถึง การไม่รู้เห็นด้วยภาวนาปัญญาที่เกิดขึ้นในกระแสจิตของตนมิใช่หมายถึงการไม่รู้เห็นด้วยปัญญาจากการสดับเพราะฉะนั้นกามชฉันทะจึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นทั้งยังจัดเป็นนิวรนอีกด้วยดังคำพีปฏิสัมพิธามักกล่าวว่า เกณฑเนะนิวรณานิยนานาวรณัตเถนะนิวรนาถามว่าชื่อว่านิวรเพราะเป็นสภาพอะไรตอบว่าชื่อว่านิวรเพราะเป็นสภาพกั้นทางหลุดพน้นความโกรธความไม่โกรธเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลาย เพราะพระอริยะย่อมหลุดพ้นด้วยความไม่โกรธนั้นความโกรธเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นเพราะบุคคลย่อมไม่รู้เห็นความไม่โกรธว่าเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะเนื่องจากถูกความโกรธนั้นปิดบังไว้ดังนั้นความโกรธจึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นในขณะเจเริญวิปัสสนานักปฏิบัติอาจพบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ หรือทุกขเวทนาที่รุนแรงหรือปฏิบัติไม่ก้าวหน้าขณะนั้นพึงขจัดความไม่พอใจแล้วจเจริญวิปัสนาต่อไปความไม่โกรดนี้จึงเป็นทางหลุดพ้นความโกรธที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือเรื่องใดก็ตามทำให้นักปฏิบัติไม่อา จ, จเจริญสติรับรู้สภาวะธรรมได้ ความโกรธจึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ถ้าเกิดความไม่พอใจเมื่อหวนคิดถึงคนที่ไม่ชอบคนที่เคยทะเลาะวิวาทบาดหมางใจกันหรือเมื่อพบกับทุกขเวทนาที่รุนแรงหรือเพราะเห็นและได้ยินสิ่งรบกวนการปฏิบัติธรรมก็ควรกาหนดให้รู้ความไม่พอใจนั้น จนกระทั่งหายไปนักปฏิบัติกำหนดรู้ครั้งเดียวแล้วยังไม่หายก็ควรกำหนดต่อไปจนกระทั่งความไม่พอใจหายไปทินมิทธะการใส่ใจแสงสว่างเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายเพราะพระอริยะย่อมหลุดพ้นด้วยการใส่ใจแสงสว่างนั้น ทินมิธะเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นเพราะบุคคลย่อมไม่รู้เห็นการใส่ใจแสงสว่างว่าเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะเนื่องจากถูกทินมิธะปิดบังไว้ดังนั้นธินมิทะจึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นการใส่ใจแสงสว่างคือการกระทำไว้ในใจซึ่งแสงอาทิตย์แสงจันทร์ หรือแสงสว่างจากการเจริญอะโลกะกะสินเมื่อมีการใส่ใจดังนี้ทินมิทะที่มีความง่วงงุลย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้การใส่ใจแสงสว่างจึงเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยนอกจากนี้การใส่ใจด้วยการกำหนดรูปนามให้ปรากฏชัดก็จัดเป็นการใส่ใจแสงสว่างเช่นกัน เมื่อนักปฏิบัติเจริญสติกำหนดรู้อย่างชัดเจนความง่วงหรือความเกียจคร้านย่อมไม่เกิดขึ้นบางคนปราศจากความง่วงจนกระทั่งสามารถเจริญสติได้อย่างชัดเจนตลอดวันคืนความง่วงเป็นเหตุให้สับปะงกและอยากนอนหลับแม้ความเกียจคร้านเสื่องซึมที่ไม่มีความง่วงก็จัดเป็นถีนมิทะเช่นเดียวกัน ถินมิทะนี้เป็นเครื่องกั้นการใส่ใจแสงสว่างนักปฏิบัติควรกําหนดรู้แสงสว่างในใจให้ชัดเจนแล้วละถินมิทะความฟุ้งซ่านความไม่ฟุ้งซ่านเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายเพราะพระอริยะย่อมหลุดพ้นด้วยความไม่ฟุ้งซ่านนั้นความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้น พระบุคคลย่อมไม่รู้เห็นความไม่ฟุ้งซ่านว่าเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะเนื่องจากถูกความฟุ้งซ่านนั้นปิดบังไว้ดังนั้นความฟุ้งซ่านจึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นความไม่ฟุ้งซ่านในที่นี้หมายถึงคณิกะสมาธิที่ตั้งมั่นในรูปนามซึ่งนักปฏิบัติกําหนดรู้อยู่ในปัจจุบันขณะ เมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นจิตที่กำหนดรู้ย่อมติดตามรับรู้อารมณ์ได้อย่างรวดเร็วเหมือนเมื่อวางของหนักไว้บนพื้นของหนักก็ย่อมหยุดอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวหรือเหมือนกับปักหอกแหลมไว้บนพื้นเบาๆหอกแหลมจะปักติดพื้นหรือเหมือนการคว่างดินเหนียวที่เป็นผนังดินเหนียว จะติดแน่นนักปฏิบัติย่อมบรรลุมรรคผลได้ด้วยคณิกะสมาธิที่ไม่สัดสายคณิกะสมาธิจึงเป็นทางหลุดพ้นจากวัตตะของพระอริยะทั้งหลายในบางขณะที่นักปฏิบัติเจริญวิปัสสนาอยู่จิตอาสั้สายฟุ้งซ่านออกจากสภาวะธรรมปัจจุบัน วนคิดไปในอดีตรหรืออนาคตถ้าความฟุ้งซ่านมีกำลังน้อยจิตจะซัดสายน้อยถ้าความฟุ้งซ่านมีกำลังมากจิตจะซัดสายมากบางคราวความฟุ้งซ่านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็อาจเกิดขึ้นได้บ้างเช่นการพิจารณาวิธีปฏิบัติของตนว่าถูกต้องไหมจิตจะสามารถรับรู้อารมณ์ที่ปรากฏชัด หรือไม่หรือควรกำหนดรู้อย่างไรเมื่อจิตสัดสายฟุ้งซ่านอย่างนี้สมาธิย่อมไม่เกิดขึ้นแม้ขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานความฟุ้งซ่านจึงเป็นเครื่องปิดกั้นทางหลุดพ้นด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรกำหนดรู้ความฟุ้งซ่านให้ทันท่วงทีจนกว่าจะหายไปแล้ว มากำหนดรู้สภาวะธรรมตามเดิมความสงสัยความเข้าใจธรรมว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายเพราะพระอริยะย่อมหลุดพ้นด้วยความเข้าใจธรรมความสงสัยเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นเพราะบุคคลย่อมไม่รู้เห็นความเข้าใจธรรมว่าเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะ เนื่องจากถูกความสงสัยนั้นปิดบังไว้ดังนั้นความสงสัยจึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นความเข้าใจว่าธรรมเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นเครื่องละอกุศลและเจริญกุศลจนกระทั่งพ้นจากวัตตะและบรรลุพระนิพพานความเข้าใจธรรมดังกล่าวจึงเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะในกรณีตรงกันข้าม ความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจชาว่าทานี้เป็นกุศลหรืออกุศลเครื่องปิดกั้นความเข้าใจข้างต้นเพราะผู้ที่สงสัยอยู่ย่อมไม่อาจละอกุศลและเจริญกุศลได้ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนี้ความเข้าใจดังกล่าวเป็นการรู้เห็นว่าเป็นวิปัสสนากุศลหรือกุศลที่เกื้อกูลแก่วิปัสสนาญาณ จัดเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายเรื่องความเข้าใจในข้อนี้จะกล่าวไว้โดยพิสดารต่อไปในปริเชตที่สและที่4ความจริงแล้วการกําหนดรู้รูปนามที่เป็นขณะปัจจุบันและสันตติปัจจุบันจัดเป็นวิปัสนาอย่างแท้จริงเมื่อวิปัสนาญาณแก่กล้าแล้วแม้ทําทั้งหมดที่เป็นอดีตอนาคต และทำภายนอกที่ไม่ได้รู้เห็นโดยประจักษ์ก็เป็นอันอนุมานรู้ได้เช่นเดียวกันวิปัสสนาญาณที่ประจักษ์ด้วยตนเองและอนุมานรู้โดยปริยายนี้ชื่อว่าวิปัสสนากุศลส่วนความคิดฟุ้งซ่านอื่นจากนี้ไม่ใช่วิปัสสนากุศลนักปฏิบัติที่เข้าใจเช่นนี้แล้วจเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องย่อมจะบรรลุ ธ, ธรรม ที่เป็นอริยะบุคคลพ้นจากวัตตสงสารได้นอกจากนี้แม้การพิจารณากุศลธรรมอันได้แก่ศีลทุดงและสมถภาวนาตามสมควรก็เป็นความเข้าใจที่เกื้อกูลแก่วิปัสนาญาณเช่นกันความสงสัยในการปฏิบัติธรรมว่าการกำหนดรู้เห็นรูปนามปัจจุบันเป็นกุศลหรือไม่นั้น เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งและลวงให้เชื่อว่าเป็นปัญญาที่พิจารณาอย่างสมดุลตามเหตุผลทั้งสองฝ่ายดังอัตกถาของคำพีเนติปกรณ์กล่าวว่า ความสงสัยย่อมลวงโดยลักษณะที่พิจารณาทั้งสองฝ่ายเป็นหลักความสงสัยนี้ย่อมไม่เกิดแก่ผู้ที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติบุคคลนั้นมักเชื่อฟังวิปัสนาจารย์ผู้แนะนำและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดถ้าไม่มีคนแนะนำเขาก็ไม่อาจปฏิบัติได้ส่วนคนที่มีความรู้ดีแม้ไม่มีคนแนะนาก็ปฏิบัติเองได้ และอาจจะเกิดความสงสัยในบางขณะโดยพิจารณาสิ่งที่เคยศึกษาเหมือนผู้ที่ไปสู่หนทางที่ไม่เคยไปก็อาจสับสนว่าทางใดถูกในวามมิกะสูรจึงกล่าวถึงความสงสัยว่าเหมือนทางสองแพรง่งในพระสูตรนั้นพระพุทธองค์ตรัสเปรียบนักปฏิบัติเหมือนคนเดินทางกล่าวคือ คนเดินทางที่มีทรัพย์ได้เดินทางมาถึงทางสองแพร่งแล้วตัดสินใจไม่ได้ว่าควรไปทางไหนขณะนั้นโจรติดตามมาทันและปล้นทรัพย์ทาร้ายเขาการที่นักปฏิบัติเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสนาแล้วไม่อาจกาหนดรู้สภาวะธรรมต่อไปก็เหมือนกับการหยุดยืนอยู่ที่ทางสองแพร่ง การตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วไม่อาจหลุดพ้นจากวัตตะเหมือนกับการที่คนเดินทางตกอยู่ในเงื้อมือของโจรความสงสัยที่เป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นมีแประการคือ 1. สงสัยในพระพุทธเจ้า 2. สงสัยในพระธรรม 3. สงสัยในพระอริยสงฆ์ 4. สงสัยในไตรสิกขา คือศีลสมาธิและปัญญา 5. สงสัยขันธ์อดีต 6. สงสัยขันธ์อนาคต 7. สงสัยขันธ์ปัจจุบัน 8. สงสัยในปฏิจจสมุบาทในปัจจุบันนักปฏิบัติอาจสงสัยในวิปัสนาจารย์ว่าสอนถูกต้องหรือไม่สงสัยในความถูกต้องของวิธีปฏิบัติ สงสัยในบุคคลผู้ปฏิบัติว่าประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือไม่และสงสัยในการปฏิบัติของตนว่าถูกต้องหรือไม่ด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติควรขจัดความสงสัยในเรื่องเหล่านี้แล้วตั้งใ จ, จเจริญวิปัสนาจะทำให้เจรจระทให้บรรลุมรรคผลโดยเร็วดังนั้นคำพีนี้จึงกล่าวถึง ศีลวิสุทธิ์ที่เป็นต้นพร้อมด้วยหลักการเจริญวิปัสนาโดยละเอียดทั้งนี้เพื่อให้นักโทษเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งปราศ จ, จากความสงสัยที่เป็นเครื่องปิดกั้นวิปัสนานักปฏิบัติผู้กำหนดรู้สภาวะธรรมอันมีการเดินการยืนการนั่งการนอนการเหยียดการคุ ตามในที่จะกล่าวต่อไปในปริเชตที่ห้าชื่อว่าเป็นผู้เจริญกุศลอย่างแท้จริงเพราะในขณะนั้นเขาเกิดปัญญาอย่างเห็นรูปธปรรม ท, ที่เป็นการเดินเป็นต้นทั้งเกิดสภาวะธรรมอื่นๆคือสติมีกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องศรัทธาที่เชื่อมัน่นทำให้ใจผ่องใสความไม่โลภและความไม่โกรธ ดังนี้เป็นต้นธรรมที่เป็นปัญญาสติสัทธาอโลภะและอโทสะเป็นต้นนั้นเป็นกุศลธรรมที่ปราศจากโทษโดยแท้จะเห็นได้ว่าการเจริญวิปัสนาภาวนาย่อมก่อให้เกิดกุศลธรรมอย่างนี้เหมือนกับการเจริญสมถะภาวนาในการเพ่งกรสินว่า ปัทวีปัทวีหรือดินดินย่อมก่อให้เกิดสมถะกุศลในทุกขณะที่กำหนดรู้ปัทวีกสินเป็นอารมณ์การยังเห็นทางเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายเพราะพระอริยะย่อมหลุดพ้นด้วยการยังเห็นนั้นความไม่รู้คือเครื่องกั้นทางหลุดพ้น เพราะบุคคลย่อมไม่รู้การอย่างเห็นว่าเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะเนื่องจากถูกความไม่รู้นั้นปิดบังไว้ดังนั้นความไม่รู้จึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นในคำภีมหาดีกาอธิบายว่าการอย่างเห็นในเรื่องนี้คือนามนามรูปปริเฉทยานและปัจจยะปริขหายานส่วนความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชา คือความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราของเราหรือเป็นความเข้าใจผิดว่าเป็นพระเจ้าเนรมิตลาวสัตว์อย่างไรก็ตามการอย่างเห็นอาจหมายถึงวิปัสสนาญาณทั้งหมดพร้อมทั้งมัรคญาณและความไม่รู้ก็หมายถึงโมหะที่มีสภาวะตรงกันข้ามกับวิปัสสนาญาณทั้งหมดเพราะกล่าวอยู่ในเรื่องเดียวกันกันกบวิปัสนา ผู้เจริญสติกำหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะย่อมเกิดปัญญาอย่างเห็นเป็นเบื้องแรกว่ามีรูปธรรมเท่านั้นที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้หรือเห็นว่านามธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เหมือนเงาที่ติดตามตัวไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาของเราต่อมาจะอย่างเห็นเหตุและผลของรูปนามว่า รูปนามเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยเหล่านี้รูปนามจึงเกิดขึ้นและมีผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยนั้นไม่มีพระเจ้าผู้เนรมิตหลาวสัตว์จากนั้นนักปฏิบัติจะเกิดปัญญาอย่างเห็นพระไตรลักษณ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนหลังจากนั้นจะยังเห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนาม พร้อมทั้งสภาวะดับไปอย่างเดียวของรูปนามดังนี้เป็นต้นปัญญาอย่างเห็นคือวิปัสนาญาณซึ่งเป็นทางหลุดพ้นจากวัตตะของพระอริยะทั้งหลายผู้ที่ขาดสติไม่ได้กำหนดรู้รูปนามตามความเป็นจริงยอมไม่รู้ชัดว่าทั้งหมดมีเพียงรูปนามเท่านั้นโดยปราศจากตัวตนไม่รู้ว่ารูปนามเป็นผลที่เกิดจากเหตุปัจจัย ไม่รู้ไตร ล, ลักษณ์ไม่รู้ความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามและไม่รู้สภาวะดับไปอย่างเดียวของรูปนามจึงสำคัญรูปนามว่าเป็นตัวตนบุคคลและเข้าใจผิดว่าเหล่าสัตว์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีเหตุปัจจัยหรือเกิดขึ้นจากเนรมิตของพระเจ้าอีกทั้งสำคัญผิดคิดว่า มีตัวตนเป็นของเที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้ซึ่งดำรงอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นความไม่รู้จึงเป็นเครื่องปิดกั้นทางหลุดพ้นจากวัตตะการยังเห็นเป็นชื่อของญาณหรือวิชาส่วนการไม่ยังเห็นเป็นชื่อของโมหะหรืออวิชาการไม่ยังเห็นคือความเห็นผิดจากสภาวะธรรมย่อมเกิดครอบงำ ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอแม้ในขณะเริ่มปฏิบัติธรรมอวิชาก็มักเกิดขึ้นอยู่เสมอทำให้นักปฏิบัติรับรู้รูปร่างสันฐานโดยไม่อาจรู้ชัดถึงสภาวาธรรมตามความเป็นจริงได้เช่นในขณะพบกับรูปารม์มักรู้บัญญัติก่อนว่าเราเห็นหรือเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ โดยไม่ได้รับรู้สภาวะเห็นหรือสักแต่สีที่เห็นอยู่โดยไม่มีสันฐานการกล่าวว่าอาวิชชาคือการไม่อย่างเห็นหมายถึงการไม่รู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่อวิชชามีสภาพรู้เห็นบัญญัติตามปกติดังคำพีอัตถกถากล่าวว่า อวิชามีหน้าที่ปกปิดสภาวะของอารมณ์ตามความเป็นจริง